ทำใจอนุโมทนาไม่ได้เมื่อรู้สึกว่าเขามาอวดรวยมากกว่าบอกให้ยินดีตามถามมีคนบอกว่าถ้าเราไม่กล่าวอุทิศบุญก็จะไม่มีใครแบ่งบุญจากเราไปได้ไม่ทราบว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรที่สงสัยมากเพราะบางทีนึกยินดีที่เห็นใครสร้างกุศลเฉยๆกลับจะรู้สึกปลอดโปร่งกว่าตอนเข้ามาพูดจา คลายกดดันให้เราต้องอนุโมทนาตามเขาทั้งที่ใจเราเห็นอยู่ว่าเขามาอวดรวยอวดบุญญาธิการมากกว่าตอบก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ใจคิดดีแล้วอย่างเช่นคิดยินดีที่เห็นใครได้ดีอย่างนี้ก็เป็นบุญเรียบร้อย ไม่ต้องตั้งโต๊ะทำพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณยินดีที่เห็นใครเข้าให้อภัยผู้อื่นใจคุณย่อมมีส่วนแห่งการอภัยไปด้วยเห็นได้จากความโล่งอกที่พลอยเกิดขึ้นในคุณความสุขความเบาความสบายใจนั่นเองเป็นหลักฐานของการได้ส่วนบุญในการให้อภัยของคนอื่น คุณไม่ได้เป็นคนให้อภัยแต่ก็รู้สึกเสมือนเป็นผู้ให้อภัยด้วยตนเองยิ่งถ้าคุณติดตามสถานการณ์อันหน่าอึดหนัดรุ่มร้อนมาก่อนก็ยอมเห็นชัดว่าอะไรอะไรคลี่คลายกลายเป็นโปร่งโล่งเยือกเย็นไปแล้วหรือเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปด้วยแล้วนั่นจะเป็นแรงบันดาลใจเผื่อไว้สำหรับครั้งหน้า คุณได้ทุนไว้พอจะมีแก่ใจให้อภัยไกลๆที่ร้ายกับคุณแล้วนี่แหละครับคือการสาธิตธรรมชาติแห่งบุญเราดูดบุญคนอื่นได้ด้วยจิตอนุโมทนายินดีแม้เจ้าของบุญจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจ ย, ยกให้ขอเพียงอาการทางใจของเราร่วมโสมนัสไปกับเขา เท่านั้นก็เป็นอันจบพิธีดูดบุญอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆแล้วการยกบุญยกกุศลให้ผู้อื่นหรืออุทิศส่วนกุศลให้คนตายเป็นแง่ของการกระตุ้นให้ผู้อื่นอนุโมทนาเท่านั้นเหมือนเพื่อนกำลังมองไปทางอื่นเราก็สะกิดแขนให้หันมาชมดอกไม้ที่เราปลูก เพื่อรวมชื่นตาชื่นใจกับเราบ้างหากเราไม่ชักชวนให้ชมเขาก็อาจไม่มีโอกาสได้เห็นพลาดโอกาสเสพสุขทางตาไปและจากตัวอย่างชวนเพื่อนดูดอกไม้นี่เองตรองดูใจเห็นว่าแม้เราไม่ส ก, กิดไม่ชักชวนให้เพื่อนมาชมดอกไม้ที่เราปลูกแต่เขาเพอเอินผ่านมาเห็นด้วยตนเอง เขาก็จะเสพสุขทางตาได้เช่นเดียวกับเราเราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงห้ามหรือปิดกั้นความสุขอันเกิดจากเห็นดอกไม้ของเขาบุญของแต่ละคนเป็นกลางต่อให้เจ้าของบุญตายเป็นลาเป็นพันปีถ้าคุณมารู้วันนี้ว่าเขาเคยยอมลำบากตรากตรำเคยอดกลั้นเป็นแรมปีเพื่อทำดีให้ปรากฏใจของคุณที่ซึมซับบารมีทางความเพียร และบารมีทางขันติของเขาอย่างเต็มตื่นก็จะพลอยได้มีความเหิมหานมีความยินดีในการมุมานะทำดีไปกับเขาด้วยส่วนแบ่งบุญจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ ก, กับกำลังใจของคุณหรือขึ้นอยู่ ก, กับการมีอารมณ์ร่วมไปกับเจ้าของบุญมากน้อยเพียงใดตรงข้ามหากไม่อนุโมทนา และยังหมั่นไส้หรือคิดบันทอนกำลังใจคนทำบุญอย่างนั้นไม่ใช่แค่ทำลายโอกาสได้ส่วนแห่งบุญยังเกิดบาปเกิดกรรมไปเสีย อ, อีกเหมือนคนเกลียดแสงสว่างย่อมหันหลังเข้าหาความมืดปริมาณของบาปจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับค่าความสว่างของบุญที่คูณด้วยน้ำหนักเจตนาที่คุณไปบัทอนกาลังใจเขา หรือมันไส้เขาแต่พูดก็พูดนะครับคนไทยเราจำนวนไม่น้อยทำบุญใหญ่ๆบางครั้งด้วยความเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอวดน่าให้คนอื่นอิจฉาว่ามีสตังค์เหลือเฟือหรือกระทั่งใช้เป็นเครื่องมือแข่งขันว่าบารมีใครมากกว่ากันใครใจป้มกว่ากันอันนั้นบุญย่อมมัวมองด้วยจิตคิดอกุศล และผลที่ได้รับในระยะยาวจะทำให้ต้องตกอยู่ในวงจรการแข่งขันใจนึกอยากประชันกับใครต่อใครร่ำไปถ้าแข่งแพ้หรือน้อยหน้าคนอื่นก็จะทุรนทุรายกินไม่ได้นอนไม่หลับสรุปคือคนบางคนทำบุญเพื่อผลักตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรไพเวนไม่น่าเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใส ความมีใจอยากอนุโมทนายินดีแก่ผู้อื่นการทำใจเผื่อแผ่บุญให้คนอื่นอาจเฉียดกับการทำบุญให้คนอื่นอิจฉาแค่เส้นยาแดงผ่าแปดทั้งหมดทั้งปวงต้องดูที่จุดเริ่มต้นทางใจหากคุณมีความยินดีในบุญของตนก่อนแล้วนึกอยากให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อให้เขายินดีตามในภายหลัง อย่างนี้เรียกว่าเป็นใจเผื่อแผ่แต่หากตั้งต้นขึ้นมาใจคุณนึกถึงตัวตนอันเคืองโขอยากให้คนอื่นเห็นว่าคุณทำบุญใหญ่เหนือกว่าเขาหรือใครๆอันนี้เรียกว่าเป็นใจเบียดเบียนคนเราเมื่อหมั่นไส้กันย่อมอนุโมทนาไม่ออกเกิดกำลังใจพลอยร่วมยินดีไม่ไหว ถ้าใจยินดีในบุญและเผื่อแผ่บุญอย่างแท้จริงกิริยาทางกายจะอ่อนสลวยเย็นตาหน้าประทับใจแทบไม่ต้องเอ่ยปากสักคำคนเห็นเขาก็บังเกิดความเลื่อมใสตามอยู่แล้วยิ่งถ้าสำทับด้วยคำพูดให้เขาเปิดใจรับรู้และยินดีตามคุณก็เพิ่มความหนักแน่นในบุญอันเกิดจากการอนุโมทนายิ่งยิ่งขึ้น และขอพูดเผื่อไว้คุณจะสงสัยว่าใครทำบุญด้วยจิตคิดข่มผู้อื่นหรือด้วยจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็ตามทีหากถึงขั้นต้องกัดลิ้นฝืนใจอนุมโมทนาแล้วล้วก็เหมือนๆนหน้าไปทางอื่นทำใจเป็นกลางๆซะดีกว่าเพราะจิตที่กึ่งยินดีกึ่งยินร้ายกับบุญของคนอื่น ภายหลังอาจบานปลายเป็นความสัมพันธ์ครึ่งดีครึ่งร้ายกับเขาได้ครับ